บุกทูยี่สิบเอ็ดยการสนทนาสองกอฟต و เกียคดคุณมาจากไหนคะ شما از อ ج ا م คเจม د มาจากบาเซลค่ะ อ ه ل ب ا บ ل هستم ب ا ต ل ปาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์บอเซล د ر สวิสคาร์โรดอดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิวเลอร์ได้ไหมคะมิท่านนมอะไรมิลเลอร์เบื้องตัวัรฟีคนน้ำเขาเป็นคนต่างชาติอูฮาร์จิสต์ เขาพูดได้หลายภาษาอูเป چ ช د นดินซ ن บ س นทัส ر ลตดดคุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะชม ا ب ر ร ی ย و ل ว ن ลินบ ی ร์อินจ ی ฮสตดไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วค่ะนั م น سال เลกุซ ه สเทห์มอินจอบูดม แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะคุณชอบที่นี่ไหมคะ پیش ما به شما อ و ش ชมี ذ ر ซาตคนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากคะ่ะเ س ی ا ر ย و ب งคู่บ้ م นมารด้อมเหรบนฮัสตันและดิฉันก็ชอบท پ پ ัศนียภาพด้วยค่ะ از م ن ا ظ ر این ج ا ه م خوشم می آید. کن ت ท م ا ن اولای کا ش غ ل شما چ ی س ت دی چن น ن ن แป ل م ن مترجم ه س ت م دی چن ป ل ห ن گ งส س ی م ن کتاب ترجمه می کنم. คุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะชมาอินจอ์ทนห์ฮาัสตีดไม่ใช่สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะน่ะขอนมอมมมอินจาส์และนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉันบาดูฟาร์ซันดัมออนจาฮัสแัน